พระคุณเจ้าพอทราบสาเหตุแห่งการฆ่าตัวตายของเขาไหมสิครินถามอัตมาไม่ทราบแน่นอนนะักทราบแต่เพียงว่ามีเรื่องสตรีเพศเกี่ยวข้องในการตายของเขาด้วยสตรีเพศอโศกและสิครินอุทานออกมาพร้อมกันความจริงเขาไม่น่ายอมตายเพราะเรื่องอย่างนี้ท่านไม่คิดว่าเขาคิดสั้นไปหรือ